พุทธศาสนาเกิดขึ้นจากใจคือความสงบแห่งเดียวเกิดในที่เดียวคือที่ใจ เ, เพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาหรือค้นคว้าจะพิจารณาหรือฟังธรรมคำสอนที่ท่านแสดงก็ดียไปค้นคว้าศึกษาที่อื่น ให้ศึกษาที่ใจธรรมะที่ปรากฏในที่เกิดขึ้นเรียกว่าพุทธศาสนานั้นคือเกิดที่ใจเมื่อขยายความเมื่ไปก่อหมายความว่าธรรมนั้นมีสองอย่างคือรูปกับนามถ้าหากมีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่กว้างขวางอย่างที่ท่านแสดงทังเรื่อง ผู้ที่ไปเกิดในรูปปร ะ, ะรูปประพมไม่ทราบจะทำยังไงรู้จักเฉพาะตนเองอเห็นเฉพาะตนเองหรือไม่เช่นนั้นก็อย่างเราพากันภาวนาพิจารณาเฉพาะใจของตนคนอื่นไม่เห็นด้วยนี่เป็นตัวอย่างรลอไม่มีใครทราบด้วยทันทีเมื่อเราพิจารณาแล้วต้องอาศัยรูปคืออาศัยเสียง พูดออกมาจากรูปคือไดยเก็บปากคนเดินยังค่อยทราบด้วยเพราอาธรรมนั้นอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรต่างนั่นเองเดียวว่าต้องอาศัยรูปกับนามธรรมยังค่อยขยายกว้างขวางแต่แท้ที่จริงรูปไอ้นามไธรรมเกิดที่นามใจเมื่อการศึกษาก็ศึกษาถึง ใจคืออารูปเช่อก่อนเมื่อเข้าใจอารูปคือใจแล้วจึงค่อยขยายมาหารไอรูปธรรมนั่นมันมีหลายอย่างที่แสดงย่ยนย่อมาสื่อรูปธรรมนามธรรมขยายออกไปอีกม้แก่รูปกับนามนี่แหละมันมีปฏิกริยา แสดงออกภายนอกให้เป็นของให้ความชั่วเกิดความชั่วขึ้ น, นแสดงในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอคุศนก็เรียกว่าธรรมเมืองกันถ้าแสดงว่าทางทดงเางีเรียกว่าปุศนเขาเรียกว่าธรรมเมืองกันถ้าแสดงมาทางที่ไม่ดีไม่ชั่วขึ้นของกลางเรียกภรรยาก็จะทำ ท่านเสือดอกุศลาธรรมากุศลาธรรมาพญาสตาธรรมาเป็นธรรมทั้งหมดนี่ขยายมาจากสองนี้ขยายไปเป็นเป็นสี่คือได้แก่ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ก็ขยายไปจากนี่แหละเป็นห้าก็ได้แก่รูปคำนามของเก่า แต่ว่าแยกออกไปรูปเป็นหนึ่งนามเป็นสี่คือรูปหนึ่งได้แก่รูปได้แก่กายเวท น, นาสัญญาสังขารมีญาณเป็นสี่เรียกว่านามธรรมก็ขยายไปอย่างเดียวกันเนี่ยขยายไปเป็นหกก็คืออยจนาหกขยายไปเป็นคิดสองก็ได้อตนาภายในหกายนอกหกเป็น 12. คิดสองคั่งเอาไว้จากนั้นเดียว อย่างอันหนึ่งดังอธิบายฟังแล้วถ้าศึกษาพุทธศาสนาถูกหลักเข้าหาจุดเดียวจบเป็นถ้าหากว่าศึกษาไม่เป็นไม่เข้าใจค่อนคว้าขยายออกไปภาย น, นอกไม่เข้ามาหาใจเลยจับอะไรไม่ได้ได้แต่คำพูดได้แต่ชื่อสมุดบัญญัต ตัวทำจริงเลยไม่ได้อย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องรักพุทธศาสนามีสามประการคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักใหญ่ใครจะเป็นพุทธมามะกะคือนับถือพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอุบาสกุบาสิกาก็ต้องมั่นอย่างนั้นในรักสามประการนี้ให้รู้จักลักสามประการนี้เหมือนกัน ผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมประสงค์เสียก่อนจึงค่อยถึงพระรัตนะในจึงค่อยบวชได้โดยเฉพาะสามเณรน่ะบวชด้วยพระไตรสานาคมคือขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสาธนะส่วนศิ้นสิบนั่นเป็นข้อปฏิบัติพระสงฆ์ก็อภิกษุก็บวช คือขึ้นต้นเป็นสามเนเดนถึงพระไตรศนาคมไปก่อนแล้วจังค่อยสวดญัติคือว่าสงลงมติเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธ์รับรองเขาโม่ไทยเรียกว่างัติจะจุทกรรมคือลงมติกันนะดิลงมติว่ารับรองได้ส่วนจินสั้งร้อยบเจ็ดเป็นวิถีดำเนินชีวิตของพระ จะต้องดำนินตามเนี่ยวนั้นมีขยายออกไปพระพุทธประามประสงค์ต้องมั่นอยู่ในตรงนี้นี่เป็นหลักของพุทธศาสนาทรานี้จะย้อนมาอธิบายถึงเรื่องหลักพระไตรสารณาคมครูพระาจารประสงค์ทั้งสามนี่แหละให้เข้าใจขี่ทวนเพื่อกว่าต่ให้ฟังให้ดี ฟังยากจังหน่อยมันเป็นของทับสนกันพูดของอันเดียวขยายไปแล้วย้อนเข้ามารวมเข้ามาอีกแล้วก็ขยายไปอีกเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ย้อนเข้ามาสรุปมาเพื่อใหล้ลงในจุดเดียวไพ้่ที่อธิบายที่บายอย่างนี้เข้าใจยากถ้าหากว่าคนไม่เคยฟังและไม่เคยพิจารณาถือตามตำราหรือถือบัญญัติถ้าปฏิบัติแล้วเข้าใจง่าย พระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์ท่านมีบาลีอย่างนี้พุทโธธรมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปีวัตุโตอัญญามั ญ, ญาวิโยข่าวะเอกีภูตามปนัฏโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปีวัตุโตว่าโดยวัตถุเป็นสาม คือพูดอันหนึ่งพรธรรมพระสงฆ์เป็นสักอัญญมัญยายโยคาวะคือทั้งสามประการนี้แหละทั้งสามอย่างนี่แหละทั้งสามลตัตตนาตัย น, นี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเอกีภูตัมปนัตโตหากว่าพูดโดยเมื่อความแล้วอันเดียวกันสามอย่างอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าพูดโดยเนื้อความและอันเดียวกันนี่พ่อใหญ่ในคกวบเมียนี้ที่แรกพูดถึงเรื่องคนละอันกันเสียก่อนพระพุทธเจ้าก็คือพระจิตทัฏฐาราชกุ ม, มารบำเพ็ญเพียรบารมีหรือบำเพ็ญทุกข์กิจยาจนสาเร็จเป็นพระละหันสมาสของพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องบรรยัตต์ตำรา กระดังอธิบายแล้วจะเป็นรัวยเจ้ากับเพราะพรสัททัยบริสุทธิ์หมดจดคือเห็นแจ้งรู้จริงในสัจธรรมและกรรมจากกิเลสอาปาธรรมัหมดชิ้นไปจึงได้เป็นพระอรหรันต์นด้เป็นพระสมมาเทพุทโธเจ้าที่ว่าพระอรหรันต์กับเทพุทโธเจ้าไม่ผิดอะไรกันหรอกคือคือละกิเลสมือนกันแต่ว่าพระสมมาเทพุทธเจ้ารู้โดยตนเองไม่มีครูอาจารย์พระอรหันต 刹那กิเลสชั่ง刹那กิเลสเมดจดชิ่นซึงเพราะได้ฟังคำสอนครูใหญ่เจ้าแล้วยังค่อยรู้ตัแต่ในผลที่สุดหมดจดกิเลสเท่ากันเห็นนั้นท่านยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือว่าแตัสรู้เองรู้เองนิสาวกาพุทธะพุทธะเหมือนกันแต่ว่าฟังยังค่อยรู้เกี่ยวกับสาวกาพุทธะ อันนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าอันนี้มาว่าถึงเรื่องพระธรรมขันพระธรรมนั่นมีหลายอย่างดังอธิบายมาแล้วสรุปรวมควมเลยนะคือรูปธรรมนามธรรมขยายมันก็คือดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมขยายไปดังอธิบายมาทีเนี่ยนี่เป็นธรรมพระธรรมนั่นเป็นรูปก็มีเป็นรูปก็มี เรนมีพูดถึงเรื่องธรรมพระสงฆ์คือบุคคลธรรมดาธรรมดาเราเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมคัณสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดสามารถชำระชิเลตให้หมดจดชิ้นซึนไปได้เนี่ยว่าพระสงฆ์ ถ้าสงผู้ชำกระลงของเก่าอย่างพุทธเจ้าเหมือนกันคือกิเลสไม่มีในใจชำนาญกิเลสให้ใ ส, ส่สะอาดใจให้ใส่สะอาดโดยสุส์จึงเป็นพุทธสาวกอันนี้พูดเป็นอันๆไว้เป็นสามอย่างท่านนี้จะผสมพูดถึงเรื่องการผสมพระพุทธเจ้าคําว่าพุทธพุทธะคือความรู้รู้อะไร ก็คือรู้แจ้งเห็นสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วชำระกิเลสหมดจดจากสันดานเรียกว่าแพทยธรรมหรืออีกในหนึ่งจะพูดที่เรียกว่าแพทยธรรมนั่นคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำราชำระชักฟอบผ้าของเราที่ตกปะกอเอา เอาไปน้าก็ดี้นสบู่แฝกแฝกก็ได้มาชาระซักฟอกผ้าของเราสักกะปกการชาระไอ้ของซักกะปลกน่นนะคือชาระด้วยแทรกเรือนน้ําิ้นสบู่นั่นเดี๋ยระธรรอันนี้พระสงฆ์ละ่ะคือผู้เอามาชาระนั่นเองคือวิธีมาชาระนั่งคือพระสงฆ์ มันจกกระปกผ้าจกกระปลกถ้า ม, ม, มันมีแปะไมนมีสบูก่กดชำระล ะ, ละน้ำไม่มีน้ำกวาล้างไม่สะอาดชำระไม่สะอาดเมื่อชำระก็ต้องใช้น้ำนี้สบูแ่แปบน้ำและสะบูแ่แปบถ้าคนไม่เอาอมาใช้คือไม่มีผู้เอามาชำระมันก็ไม่สำเร็จความประสงค์ตามความประสงค์ไห้ จึงเอามาเปรียบว่าผู้ที่เห็นว่าของสุขภพกรกคือพุท ธ, ธะเห็นผ้าเรื่ของสุขภพกรกคือพุท ธ, ธะนั่นแหละคือความรู้รู้ว่าสุขภพกและวิธีที่รู้ว่าสุขภพโกักนะันมีอุบายปัญญาและมีความสามารถฉลาดที่จะหาเอา ของสปกปกไอ้ของเอาแฟบเอาสบู่แล้วเอาหน้ามาล้างของสกปรกนะั้นคือปัญญาเกิดจากของสปกปกคือเกิดจากกิเลสมีเห็นโทษของกิเลสและกามีวิธีชําระกิเลสให้สะอาดด้วยอุบายปัญญาวิธีต่งตางๆหรืเกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็คือได้พธรรมนั่นเอง ได้ของมาซักฟอกนั่นเองนี่ของที่ว่าซักฟอกมันมีเยอะแยะกันนี่ถ้าไม่ามาซักฟอกมันก็ไม่สาผู้ที่ไปเอามาซักฟอกนั่นคือสังฆ ค, คือสงให้มันเข้ากับว่าสงทําไมยังเรียกว่าสงคือสู้ปฏิปโนปฏิบัติดีอู้สู้ปฏิปโนปฏิบัติกรงปฏิบัติเป็นไปเพื่อคนทุกข์ ปฏิบัติในเบียดเบียนตนในคนอื่นเป็นที่น้าอิจฉากรกกาบไปะบูชาคือเป็นใหญ่ในอิสราในตนเองสามีจิตปฏิปโนสามีแปลว่าเป็นใหญ่กับว่าในวานนัดกราบไหว้ะบูชาสวะพูดกันง่ายๆได้ว่ามีอิระไในเป็นทาสของใครรู้ได้ตนเองทำได้ตนเองทำได้ตนเองรู้ได้ตนเองแล้ว ทำโดยอิสระไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นตนในคนอื่นจึงเป็นที่น่ากล้าไปแต่สกปรบูชาของคนทั่วไปมีพระพุทธประทรมพระสงฆ์อธิบายพระสงฆ์เขาตกลงว่าพระพุทธคือรู้ทาคือรู้อุปาคือรู้เห็นของสกปรก พ, พระพุทธพระธรรมคือสิ่งที่เอาของสกปรกจริง เที่ยวไปชระสองของสปกปรกคือมาชำระผ่าที่มันสปกปรกนั่นพระสงกับพูดที่เอาของนั่มาชำระนั่นเนี่ยพระสงฆ์ก็เพรามาเปรียบเพื่อให้เข้าใจง่ายทรานี้ยังอีกชั้นหนึ่งอีกสุปฏิปโนถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติรกรง ขึ้นประสงค์ก่อนนะข่านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติกรงก็จะไม่เห็นธรรมก็จะไม่เกิดความรู้ก็จะไม่เป็นพุท ธ, ธะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงซะก่อนเรียกว่าสมาธิจะเห็นชอบเห็นกรงเห็นถูกต้องจึงจะเกิดพุท ธ, ธะขึ้นมายกประสงค์ใก่อนนะข่าน ปฏิบัติดีแล้วก็เห็นจึงค่อยเห็นเห็นคือควมรู้เห็นนั่นคือเห็นสิ่งที่ไอ้ปฏิบัติดีจึงเข้าไปเห็นสิ่งที่มันส ก, กปรกแล้วจึงหาวิธีมาแก้ของส ก, กปรกนั้นย่อกุศลสงขึ้นก่อนแล้วก็จึงเป็นพุทธะจึงเป็นธรรมะอันนี้จะยกธรรมะขึ้นก่อนดีกว่ทาทั้งโลกนี้ต้องเป็นธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในปิติธรรมคือธรรมดาธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติคือเป็นธรรมอยู่แล้วกิเลสทั้งหลายเลยเป็นธรรมอยู่แล้วในโลกอันนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีคนที่มาค้นคว้าหาความรู้จากกิเลสนั่นคือปัญญาอวิชชาความรู้จากจากกิเลสนั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาก็มันเกิดจากกิเลสเองไม่ใช่ไหมนอกเหนือจากกิเลส นี่เองว่ายกพระธรรมขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ได้คม ร, รู้ในการที่จะชำระ ก, กิเลสแม้ก็เกิดพุทธะขึ้นมาแล้วก็เกิดสังฆฆาคือการปฏิบัติถูกต้องอีกเหมือนกันมันสลับสับสร้างอะไอย่างนี้อ่ท่านเก่งว่าเอกีพูดตามปนัทธโตถ้าพูดโดยเนื้อความนื้อันเดียวกัน ฟังยากเข้าใจยากถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจคิดคนพิจารณาการจิดจริงจังต่อเมื่อเราได้มาทําช่ก่อนคือไม่เห็นตัวใจดนะังอธิบายฟังมาแล้วจับตัวใจแล้วได้มาชําละตัวใจคือจับตัวใจเห็นใจนะั่นแหะจําหลักใจซะก่อนเหมือนกับเราเห็นเราเหมือนกับผ่า เมื่อเราเห็นผ่านและของสกปรกเกิดที่ผาติดที่ผาที่เราเห็นของสกปรปกนะที่เราเห็นอาการของจัดแล้วเนื้อห า, ว, าวิธีที่ชำระของสกปรปกคือใจนะเที่ยบกับปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราชักเราซักฟอกคาบผ่อนของเราที่สกปรปกให้สะอาดได้คือชำระใจของสนเอาสุดหมดจดได้ให้จับใจคือ ตัวเดิมไม่ได้ซะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไป็นับอกตรงไหนกันอาได้มาติดมาเกาะตรงไหนคองรูเรื่องนี่ยังควรให้พากันหาค้นคว้าหาตัวใจอบลงฝึกฝนให้เข้าหาตัวใจถ้ามันได้ก่อนอย่างนี้เราอยู่กับใจใจนั้นเกาะเกี่ยวด้วยกิเลส คุมัวไปด้วยกิเลสวุ่อยู่ในกุลด้วยกิเลสเลยไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นกิเลสคนเราเอากิเลสมาเป็นใจเอาใจไปกิเลสมันจึงค่อยยุ่งเหยิงไปหมดความโกรธเกิดขึ้นจะเข้าใจไว้เราโกรธที่จริงกิเลสมันอยู่ต่างหาก ไม่ใช่เราโกรธแต่เราไปยึดกิเลสมาไว้ในตัวของเรานั่นแต่เองเรื่องมันอยงส้นเด็ดนะคบโผมฉันพูดถึงเรืจกุลูรีทังวันนี้เขาพาฝีเป็นที่หลังเขาจะใช้อยาเน็บยาหมืนถ้าไม่จองหรอกไม่ใช่ของฉันถ้าเธอพาไปเถอะเขาก็พาได้ส บ, บายท่านก็พูดเลยสนกุกอยู่ คือว่าไม่เอาใจไปยึดจดจ้องตรง น, นั้นมันก็เรื่องของเรื่องเรื่องของกายเป็นเรื่องกายขนาดสัมผัสถูกต้องอยู่คือสัมผัสอายสานะของภายนอกประภายในจระทบก า, ารเกิดประสาทความรู้หรือเซลลที่ว่าเนี่ยเกิด ค, ความรู้สึกขึ้นมาจะไม่ให้รู้ไม่ได้ แต่ด้วยเหตุที่ใจทั้งแข็งแก่็งหรือท่านมีความสามารถระแยกออกใจหรือเข้าใจตามเป็นจริงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสิ่งนั้นท่านไม่เอาใจไปไว้ตรงนั้นก็ปล่อยลงไปได้เมื่อครั้งท่านจะมานี่เนื้อผ้าขาท่านหักมีหมอยินแสสองคนดึงโครงขังคนหนึ่งดึงดึงท่อน ปลายเขาหนึ่งดึงท่อนท่อนกลบลูกจี่ลูกหาพกันลองเกี่ยวกันหมดเลยท่านเชยพอดีนั่งนัเขา่ารู้สึกวาอาการจะเจ็บหนักจนเหลือทนนั่นแหละเน้ยเดี๋ยวให้ฉันหายใจสักหน่อยก่อ น, นเขาจังก็ปล่อยวางมือก็ฟปลงองอ้าทำอีกยอมให้เขาทำเขาทำ ทำังไงก็ดึงไม่เข้ากันเขาเลยทิ้งให้ยังเทศให้ลรกจิตลุหาฟังอะไรกันเจ้าตัวเขายังไม่ทันเจ็บเราไปเจ็บก่อนแล้วร้องไห้ี่เกียวเจ้าหมด ừ. นี่เรื่องนี้ตัวขามันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหเห็นทิเกเจรณาเห็นเป็นอนัตตา ที่ให้พิจารณาเป็นขันหาอุจนาธาต่างๆคือไม่เห็นเป็นอนาัตตานี่เองหากจิตเรายังมาทั้งละเอียดพอซึ่งจะรู้เข้าขรู้ชัดตามเป็นจริงไปพยยิจารณาโดลมปฏิลมเมเิตรก่อนต่อเมื่อใดถ้าหากใจเราเข้าถึงสภาพความเป็นจริงก็เข้าถึงใจแล้ว จะรู้อาการของนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันหนึ่งต่างหาัดไม่ใช่ใจนั่นแหละเราจรึงได้เราจรึงได้เอาไปไปใช้ในขณะที่เราในเวลาที่เราจะต้องใช้ในเมื่อเหตุจำเป็นเกิดขึ้นจงว่าหัดมาอบรมฝึกฝนกันไว้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมไปแท้ไม่ใครบอกให้ห ร, รอกเรื่องเรื่องวันนี้บอกได้แต่เพียงอุบายอย่างที่บายฝห้ังนี่แหละ คนที่เป็นจริงเห็นจริงนั่นไม่ใช่ของคนอื่นบอกให้เป็นเรื่องของเราเอเกิดเองรู้เองขึ้นมาตั้งหางนังเคยอธิบายให้ฟังว่าอาธิบายฟังนี่เรียกว่าอุบายการที่จะเข้าใจให้ถึงตรงนั้นเรียกว่าเนียบภายของตนเองมันมีใครบอกสอนรู้ชาติด้วยตนเองขึ้นมาเมื่อรู้ชาติด้วตนเองขึ้นมาแล้วอันนั้นจะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับใชย ในอย่างดีที่สุดในเรื่องของรู้เฉพาะตนถึงเอามาพูดกับคนอื่นฟังมันก็เป็นอุบายต่อไปเนียบขายเรื่องของเฉพาะตัวอธิบายวันนี้พูดถึงเรื่องพระพูดธธรรมประสงค์รักว่าพระพูดธธรรมประสงค์นั้นพูดโดยวัตถุนั้นเป็นสาม ถ้าพูดโดยเนื้อความจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคู่ซึ่งจะถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายของละเอียดลึกซึ่งคู่จะเห็นว่าพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายแล้วพาทั้งกล่าวบรรนาอยู่ตลอดทุกแห่งทุกหนนะ่ะพุทธทางสันนิษตานธรรมทางสันนิษฐานหรือทางทางสันนิษฐานี้แม้จะกราบก็เหมือนกันกราบสามหเนเงียบ ไม่ทราบพูดมาทำให้สงค์อะไรประสงค์อะไรก็หมายถึงกราบชัดได้ว่ากราบไม่ทราบว่ากราบอะไรกราบโลหะคือรูปผู้ปฏิยสธแล้วก็เข้าใจาพอแล้วมันไม่ทราบซึ่งถึงของจริงคือพระรัตนาไตรผลอันนี้สงเลยมีน้อยมันได้น้อยเหลือเกินถ้าเราพิจารณาอย่างว่าดีแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วกราบที่ได้ถึงที่นั้น กราบเมื่อไรถึงเหมือนนั้นอันนี้กราบกี่ครัง้งหรอมันไม่ถึงสักทีโ อ, โ, โอ้โหตั้งแต่เกิดมาพิดาบรรดาผัวญาติทั่วถล่มกราบม่ใช่ไหนแต่ยังไม่ถึงพระพุทธธรรมปร ะ, ระสงค์เลยแม้แต่ผู้บวชในพุทธศาสนาที่ดูตามมัเห็นก็ยังมาเห็นพระพุทธไม่ถึงพระพุทธธรรมปร ะ, ระสงค์ไปยังเยอะจะถึงได้ยังไงถ้าเราคิดดูสิบางพวกบางคนน่าภายังไปถือผีอยู่แทํานะ แทนจะถือพูดประธาประสงค์เป็นศานาไปถือผีเป็นศาสนรารอีกสรรักจะถือพูดประธานประสงค์ได้ยังไงใจเป็นขังมีตัวจะรู้ได้โดยใจของตนเองแย่งสมเด็จท่านเทวรเนี้ทุรังขามังเอกรจรังอศาศรังโคงหาเสยังเยจิตตังสัญเมตสันติโมกะันติมาละบันธนา ทุรังขะมังเอกจรังอาศัยย <point. S 3> ่งค like ูหาเสยังจิตเที่ยวไปในที่ไกลอาศัยย่งคูหาเสยังไม่มีร่างกายเที่ยวไปในที่ไกลแล้วกลับมานอนคูหาคือร่างกายมาอยู่ที่ตัวขงเราคือร่างกายเที่ยวไกลไม่มีขอบเขตแต่ยังว่กลับคือมานอนอยู่ที่ร่างกายคืออยู่ที่นี้ถ้าไปไม่กลับก็คือว่าตา อันนี้มันวกกลับขึ้นมาอยู่ยังไม่ตายใจแรงควรอาทยังตอนท่าธรมเยจิตตังสัญเมตสันติถ้าหากใครเยจิตตังสัญเมศสันติส้ำรวมจิตของตนได้โมกะันติมาละบัณธนาพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการของมารที่เราวิ่งไปนั่นเน่ะ ไปถูกบ่วงของมานทั้งนั้นจิตใจที่วิ่งสงสัยไปถูกบ่วงของมานครับคือไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นเรียกกับบ่วงของมานเพราะฉะนั้นใจไม่มีตัวแต่รู้ได้ด้วยใจของตัวเองว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อบรมได้ฝึกฝนได้ไม่ใช่เป็นของไม่ได้แต่มันก็เป็นของยากเพราะเราไม่ไเคยฝึกฝนและไม่เคยอบรม แล้วก็ไม่เคยเห็นต้นเห็ตัวมันสักทีดังนั้นที่อุปไอที่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราอบรมใจก็คือมีใจและให้รู้จักใจให้อบรมใจให้มันได้จึงจะใช้ใจได้เท่าเราไม่ได้มันก็จะใช้เราอยู่ตลอดเวลาคือวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาไปถูกบ่วงของมารอยู่ตลอดเวลา ที่อรมกันอธิบายให้ฟังมาแล้วเครื่อ้อยู่ในจุดเดียวเรายอมชนะทุกอย่างละ่ะที่มันวิ่งผ่านว่ามันเคยมาเต้นไหนแต่ใดมาแล้วอันนั้นยกไว้ซะ ก, ก่อนครานี้จจมันวิ่งจะไม่อยู่ในจุดเดียวจะแห้งที่ลมหายใจเขาออกหรือจะแห้งที่บุตรโ เอาว่าแพงในที่เนกจะให้อยู่ในจุดเดียวเขาไปกระทบอยู่ในสิ่งเดียวปรากฏในสิ่งเดียวหากมันหยาสงสายเอาไฟก็ดึงเข้ามาคือเอาสติมันมาอยู่ในจุดเดียวเอาแค่นี้แตก่อนให้มันอยู่แค่นั้นแต่ก่อนทามันได้อันนั้นได้ก่อนเมื่อมันได้อันนี้ชำนี้ชํา น, นาญอันนี้แล้วนละ่ะต่อเป็นหากี่มีเรื่องถ้าเข้าได้ถึงตรงนี้แหละดังอธิบายฟานแต่กีเนี่ย เข้าถึงพุทโธเข้าถึงพุทธะถ้าจะอุปมาเตรียบดังศาสนาพระเจ้าพระเป็นเจ้าเข้าถึงตรงนั้นนะเข้าถึงตรงนั้นเขาก็ว่าถึงพระเป็นเจ้าเหลือถึงตรงนั้นเราก็ว่าถึงพระถารมก็คือถึงใจเข้าถึงใจเขามีตําราเหมือนกันแต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าถึงพระเป็นเจ้า ถ้าเข้าถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าถึงพระปิจจักศาสนาพระเจ้าเองขงฮินดูก็ทำนองเดียวกันเข้าถึงตรงนั้นดนั้นเราอยากจะถึงพระเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าหรือถึงพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้านั่นแหละพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละอันเดียวกัน สมมติเรียกผิดแผ่กันไปาตามลัทธิทีนิยมของศาสนาแน่นอนยันนี้เรายังไม่ถึงพระเจ้ายังไม่ถึงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้ ร, รู้คือรู้ใจเข้นใจ